นัโมตตจโทตุระหตสัมมาสัมพุทธะนัโมตตจโทตุอะระหตสัมมาสัมพุทธะนัโมตตจโทตุอะระหตสัมมาสัมพุทธะนิพพานังปะระม ทุกท่านที่ที่มาจากธรรมปริยั a n ศาสตร์ปุถุตาสะร์ปุถุตมัณฑีัจธรรมธรรมโสดาภูติขอให้ทุกท่านทุกคนเรียมธรมสมาธิสมาจารสมาธิให้ เอามือขวาหมายทับหูเบื้องใต้วางไว้บนศัพท์มือขวาหมายทับหูเบื้องใต้วางไว้บนศัพท่คอยกำหนดเอามือขวาหมายทับเืองใต้วางไว้บนศั จะลืมตาหรือหลับตาก็แล้วแต่ศาสขอให้ฟังตั้งใจฟังอาตม า, า, าคือพระคูสิทธิของฮากรหรือด็อกเตอร์จารีโทคาโทรโศจะได้แสดงคำเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังดื่ไป อันดับแรกนี้ให้ตั้งสติไว้ที่ลมหายใจลมหายใจอยู่ที่ไหนตั้สติที่หน้านะตสติอยู่ที่ไหนลมอยู่ที่นั่นให้คอยดูลมคอยสังเกตลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้อยูให้มีสังเกต สังเกตว่าลมมันเข้าสังเกตว่าลมมันออกไม่ต้องไปวางทับว่าอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากคิดอะไรให้มันคิดไปเราอยา่าสนใจตามความคิดเหล่านั้นให้คอยรู้อยู่ตลอดเวลาเวลาลมเข้าเราคอรู้ว่าลมเข้าไปในโพรงระหบกของเราแล้ว เวลาลมออกก็เห็รู้ว่าลมออกออทางโผล่ปลายจมูกของเราหรือโผล่จมูกของเราเพราะฉะนั้นให้คอยกำหดกนดจังนี้แหละไปเรื่อยๆเรียกว่าอานาปา น, นันตสีที่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกลม้อวิอดียังก็ดีลมบทศ เทศรังสีกอดีท่านได้สอนอาตม า, มาให้นั่งสมาีให้สุขัดกรรมาฐานตั้งแต่อาตมาอายุได้24ปีจนมาถึงปัจจุบันนี้อายุ64ปีแล้วได้ปฏิบัตรรริทมบำเพ็ญุณามความดีกับครูอาจารย์สำคัญเหล่านั้น เพื่อความตั้งใจเยอะสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะตั้ชีวิตยอมเสด็จยอมตายเพื่อที่จะให้ได้เกิดธรรมะคำสอนอันเดิอเกิดขึ้นในใจของเราทำยังใจของเราถึงจะบริสุทธิ์ของใสครูบาอาจารย์ก็บอกไว้แม้แต่การเทศการแสดงธรรมตรงนั้ น, ารรนอาตมาได้รับสันธามมัจเจ ทานลวงู่เทศให้แสดงธรรมให้ญาติโยมให้พระเนรฟังเออวะอย่าง น, นี้ให้ท่านมหาเทพปวดญาติาปวดโยมนะปวดพระปวดเนร น, นะท่านว่าอัตมาป ร, รับส า, าทูพันเตทีนี้เวลาเสดเทศนี่มันิไปมองเลยบามันวุ่นวายอันนั้นก็เข้าานี่ก็เข้าาเมญามาันเ ข, ข้ามาพร้อมกัน เราก็ไนโน้ตเจตีอะในก่อนอันในหลังอืมกลับไปห า, ปหาป ต, ต้องคุยอีกทีนึงก่อนเพเดินยองกองนีแล้วก็ไม่ลงเลยไปไปหาลงปู่ลบลบปู่ครับกระผมเจตียังไงกระผมีธรรมะหลังไหลอามาา น, น, นันี่อันนันนี่เต็มไปไหมดเลยให้อว่ารั่วในฝออันนั้นสว่างวาเลย่าง ดูนไหนปงเทศกันอันที่เราไม่รู้เราจะไปเทศได้ย่งไรเราจะไปเทศได้อันที่เราไม่รู้เราเทศอันที่เรารู้เรารู้เรื่องไหนเราไปเทศเรื่องนั้นไม่ต้องถามหลวงปู่สอแล้วปุถุชนเลยกล่าวแล้ะุเลดทุกคนรู้แล้วส่งคำเทศมาก็ประมาณสุ่มนึ่งเดือนเลิกมาที่แสดงธรรมที่ฟังธรรมเนี ประเทศได้ยามสวายเลยเลยอ่านเลยอันนี้มีก้อนกันที่มาวันนี้ประเทศสิงคโปร์ให้ฟังสิงคโปร์คืออะไรคือสมาธิสิงคโปร์คืออะไรคือมากสิงทโปร์คืออะไรคือขนสิงโปร์คืออะไรคือนิพาน รู้สมาธิมั่นผลนิพพานก็ต้องเทศเรื่องสมาธิมั่นผลนิพพานเราทำยังไงเราถึงจะเข้าถึงมัรนผลนิพพานเริ่มต้นทีเดียต้องหักจิตของเราก่อนจิตของเราไม่สงบจิตของเราไม่ตั้งเที่ยงตั้งมั่นจะให้เกิดมากเกิดผลได้ยังไงเกิดไม่ได้เกิดมา่เกิดผลไม่ได้เราต้องทําจิตของเรา อห้เป็นหนึ่งซก่อนเมื่อจิเป็นหนึ่งแล้วไม่มีปัญหาในกางที่จะบรรลุมรรคผลคับพิเศษในพระพุทธศาสนานี้ขอให้เรามีสมาธิซะก่อนต้องฝึกสมาธิให้ได้ซะก่อนสมาธิของคนที่มีอยู่ปัจจุบันนี่เป็นสมาธิธรรมดาเรียกว่าคณิกะสมาธิสงบนิน่งๆหน่อยๆไปอยู่ไป แต่ถ้าสงบสูงขึ้นก็เป็นอุปจาราสมาธิสงบสูงขึ้นเมื่ อ, อกิจสงบสูงขึ้นมันก็มีภาพมีนิมิตอะไรต่างๆเราอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจกับภาพกับนิมิตเช่นเราโลขมวดหายใจเข้าหายอย อ, อกกินเพราะเราตัเทียงตั้มันแน่วแน่ลงไปเออแน่วแน่ลงไปนะให้คอยรู้ คอยรู้ว่าลมเข้าลมออกเราเห็นชัดขึ้นมาแล้วถึงไม่พอไม่ได้ บ, งบังคับมันก็สงบอันนี้ก็ให้คอยด้ว้คอยสั้งเกลียดดูตัวเองเมื่ดูลมหายใจของเราเองเวลาลมเข้าก็ตามเวลาลมออกก็ตามให้คอยรู้อยู่ที่เดียวนั่นแหละอย่าไปรู้ที่อื่นอย่าไปรู้เรื่องนั้นอย่าไปรู้เรื่องนี้ หรือมันจะคิดไปส่สงใจยไปตามเรื่องตามราวต่างๆเราก็อย่าเพิ่งไปสนใจให้สนใจแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นส่วนความคิดความอ่านนั้นนี่ก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องนั้นเหล่านั้นละ่ะมันจะไปคิดอะไรก็ให้มันไปแต่เราไม่ไปกับมันให้ปล่อยดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวว่าเราจะดงลม เราจะไม่คิดโุ่งสร้างส่วนความพุง่งสร้างก็ไปตามเรื่องของเธอเ้อ แ, แต่ฉันจะอยู่นับลมหายใจเข้าหายใจออกก่อสร้างสตัวลมหายใจเข้าหายใจออกไม่พ่อไม่ถอยทั้งไปจะเกินพาดนิดนั้นอันนี้ขึ้นมาเราเขายังไม่ต้องสนใจเพราะเป็นของยังไม่แน่นอนพออเพราะความรำสบายทีมันยังไม่เส็จที่เราฝึกไปฝึกไปฝึกไปฝึกไป หัดไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆเดนอยู่ก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกนั่งอยู่ก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกนอนอยู่ถ้ายังไม่หลับก็ใ ห, ห็นลมหายใจเข้าหายออกจนหลับไปอย่างนี้แหละยืนเดินนั่งนอนทำเพื่อหน้าที่ต่างๆถ้าพอสงดลมหายใจได้ให้กหงดลมหายใจต่ออย่าไปพอย่าไปคิดภู้งซ่านนั่นดี หรือตามเรื่องตามราวหนูเราไม่ต้องสนใจเพราะอันนั้นไม่ใช่สมาธิไม่ใช่มากไม่ใช่ผลไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเราคอยดูแต่ลมหายใจของเราเท่านั้นนอนดูก็ดูลมหายใจได้นั่งอยู่ก็ดูลมหายใจได้ยืนอยู่ก็ดูลมหายใจได้นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่เราสามารถ เห็นลมหายใจได้ตลอดทุกวิ น, นาทีเลยทีเดียวเลยอันนี้คือการหัดกิเรายังไม่สงบนี่มันจะอยากเป็นผ้ะอรหันมันก็เป็นไม่ได้อยากสำเร็จภูนั้นภูนี้หรือว่ามีรู้วณกิจ ค, คนกำหนดเห็นใจคนอื่นอะไรต่างเหล่านี้หรือในภูทิพตาทิพอะไรเหล่านี้อย่าเพิเ่งไปคิดอย่าเพิ่งเอาตำราเข้าไปก่านใส่ในาตาปฏิบัต วาตำราทั้งหมดเลยหลงยวงปู่เทเอารมาว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะถือตำราเข้าไปด้วยอาจมาเขไปแตงหนังสือเลยพอปฏิบับติธรรมแหนังสือไปหาท่านว่าภาวนามเขียนพอท่านภาวนาเขียนเราก็สะดุ้ใจเลยโเราแตหนังสือไม่ถูกตั้งแต่นั้นมาอาจาม า, าไม่เขียนอีกเลยไม่แเลยนี่แหละ นองปู่ท่านเตือนสติให้ไม่ให้แตะมันสื่อถ้าเวลาเราเทศเรา เ, ออเราปฏิบททัติดีเราไปแตะมันกับอุปกรณ์ทุบซ่านั่นแหละมันไม่สงบหรอกหรือเอาหนังสือเข้าไปมันตรงกับนัดไม้มันตรงกับมัดข้อ น, นัดไม้ตังกับต่อฟไหม น, นี่อันนี้คือความหลงทางขาองปู่ปฏิบัติ มันจะไปรู้ได้ยังไงพราะมัจะไม่ถึงวัฏฏุจะไปรู้มวัฏฏุได้ยังไงอ่าอันนี้พอจะต้องให้หักอย่าเอาตาราเข้าไปอ่านในใจว่ามันตรงกับบทนั้นบทนี้หรือเปล่ามันได้ยานที่เท่าไหร่แล้วยานหกยานสิบสองยานสิบหกอะไรหรือย่างมันได้รูปดับนามดับหรื อ, อยังอะไรนี่ไม่ต้องไปคิดพวกนี้เลยให้คิดเถอเราสังเกตรู้โลมหายใจของเราได้ไหม นี่แหละให้สังเกตเท่านี้ไม่มีมากดูรมหายใจเข้าออกทุกเวลาจิตก็จะสงบเป็นสมาธิเองเนี่ยเราไม่จะไปแต่งให้เป็นแบอุปจาอัปนานอะไรต่างเราก็จะไปแต่งเราทำอยู่แค่นี้เด็กจิตก็คอยดูลงวัดรวมกัวางเรอนั้นวางเรืองนี้วางหมดทุกอย่างเดีวจะพูดรู้เข้าไปได้อัปนสมาธิเลย พออยายาสมาธิแล้วจิพลังจิตของเราจะเข้มแข็งมากพลังจิตของเราเข้มแข็งจริงรต่อสู้กับอะไรก็ได้บางทีนึกว่าเอ้สเราทำบวชปีก็แพงนีน่าจะทะุเออคิดแต่มันไม่ทารุหรอกเออเก็บเงินงนั้นแหละแต่ว่าแต่ว่าใจของเรามันเข้มแ ข, แข็งกว่านั้นจริงจมันไม่หวันไหวเลยถ้าจิตเข้าจิตสมาธิเต็มที่ได้ จะว่าให้สมาธิอพนารีนาอะไรไม่ได้หรอกต้องออกมาอุปจารสมาธิก่อนดึงจิตที่เจรนาตัวตนคนเราว่าเพื่อจะไงแก่ยังไงเกิดจะไ ง, ไางไตายให้คอยฝึกจิตแรกก่อนแต่ฝึกหลวงทีเดียวอะเอาให้มันได้บรรลุขั้นกัรนี้อย่าฝึกว่าตก็นั้น มันจะบรรลุของมันเองคอยดูคอยสังเกตดูเวลามันเข้าเราสังเกตได้ไหมถ้าสังเกตได้หายใจลึกๆหายใจลึกๆเมื่อหายใจลึกแล้วคอยดูเวลาลมบอกมันไปทุกตรงไหน มันมันอกแล้วว่ากระทบตรงไหนโรมูของเราถึงกระทบตรงไหนให้ตั้งสมิไว้ทีเดียว็เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดลมเข้ายาวก็ให้รู้ลมออกยาวก็ให้รู้ลมเข้าสั้นก็ให้รู้ลมออกสั้นก็ให้รู้ให้อยรู้อยู่นั่นตลอดไป ตามไปบางโรงมันจะใหญ่ขึ้นเลยนะเหมือนตัวเราเป็นลโเลยอันนั้นก็อยา่าเพตกใจว่าเราจะเป็นน้ำใจอยู่ด้านั้นนี่เราจะเฉยไว้คอยดูนั่นดกลมมันไปตามตัวตามทุกตัวให้เห็นให้เราเห็นแต่เราไม่ต้องตกใจอันนี้คือบอกทางทางหลวงขอนไว้ให้คนชอบหลงตรงนี้ พอมันตัวใหญ่ขึ้นเหมือนทุกวันเออมันอะไะเกิดอะไรขึก็หยุดมันเลยไปมันเลยไม่ได้สมาธิชั้นดีเราอย่าไปสนใจว่ามันจะเป็นยังไงให้มันเปลนไปเลยคอยดูหายจะเข้าหายใจออกคอยดูมันมันจะค่อยสงบลงสงบลงอีกมันก็เรื่อยๆลดไฟก็เดือดแต่เดือดจกินเดียวกินเราเดือดกินอันเดียว มันมีแต่มันเรียกว่าระ ง, งับ ล, ลงระงับลงอะาณนั้นก็คือหายใจเบาๆมเาัเบาลงเบา ล, ง, บา ล, ง, าเลงเบาลงหายใจความเบาลบาลงแล้วก็าคอยตั้งสติแนไปกับการที่มันสงบลงไปบอกว่ามันผู้สิ้นอย่างจิตเราก็เป็นสมาธิเต็มที่เนี่ยเมื่อจิตเราเป็นสมาธิดีแล้วจะทำไงต่อ พเอาความรู้สึกที่สงบนั่นเอมาพิจรารณาร่างกายกายที่เร า, เราได้นี่พ่อแม่ก็เราให้มาใจมายิดถือเอาว่านี่ของเรานี่ตัวตนของเราเรายึดืออยเราคิดว่าไม่แก่ไม่ตายนี่ ตอวมาถือเป็นชนที่ในคันมารดาและก้าเดินคือเดือนแล้นข้อจากคันมารดามาเรารู้ความแล้วอายุ10ปี20ปี30ปี4 5 60 70 80ปี้ออายุของคนในปัจจุบันนี้100เป็นประมาณแต่ว่าคนโดยมากไม่ถึง100ก็บอกว่อายุไปก่อนนนี่แสดงว่าเราไม่ใช่ว่าจะอยู่อย่างนี้ตลอดไป ถึงเวลาตายมันก็ตายไม่ใช่มันไม่ตายมันตายเป็นตายเนี่ยเราลองดูสิพระพุทธเจ้าพู้สัมมาสัมพุทธานยังเป็ น, นยังสเสด็จดับขันธวริษผ่านยังตายพระพุทธเจ้าของเราเขาตั้มายูแ8ดสี ก็อนิบิผ่านระสาวกอราหัน้ า, าทั้งหลายทั้งนั้นก่ น, นิพพานเหมือนกันรตาสารีบุตรพระมหาคดสปพระหาจายนพะระสงฆ์ในอดีตพระอรหันในร่วงรับดับขันไปพระอรหันในปัจจุบันรวงรับดับขันไป ค่อยทยอยไปท ย, ย, ยอยไปต้นใหม่ต้แตมขึ้นมาขึ้นมาแทนที่เหมือนหน่อไม้ข อ, อไม้มีกรพอและทีครั้งแรกเราปลูกลเรามีหน่อนเดียวไปปลูกต่อมาเราเป็นลำต้นขึ้นมาแตกแขนงขึ้นมาเรื่อยแต่บ่อแต่ขอพอใหญ่เลยอันนี้วัตกันผู้ปฏิบัติทำแล้วได้เร็จมากผล ก็โเอาพระเอาเนรโผให้ลูกให้พระให้เนรลูกว่านี่คือทางแห่งมรรคนลที่ผ่านพระเนรก็ปฏิบัติตามค่อยเป็นค่อยไปเอาปีเป็นเดือนเอาปีเป็นเดือนคอยปฏิบัติไปเรื่อยในที่สุดระรูปแก้งขึ้นมาว่าโอ้กานเกิดมันเป็นผู้ ถามีเกิอดอยู่มันก็ต้องทุกข์อยู่ทุกข์ในการทำมาหากินทุกข์ในหน้าที่างานทุกข์ในเรื่องครอบครัวผัวเมียมีปัญหาอนังมีปัญหาอันนี้โอ้บางคนแก้ไม่ได้ก็ตัดสินใจตายตัวตายไปมี ว, ว่ามันจะหมดมันไม่มนั่นเราทำโทษแก่จ้าของนั่นเราก็เป็นหลักตานลบไปแล้ว อ่าเพราะฉนั้นอย่าไปใส่ใจเรื่องที่ไม่ทำกสงบให้เราเราอย่าไปใส่ใจเราให้ใส่ใจว่าเราจะพิจารณาตายนี้หลังจากของเราสงบแล้เวเราจะพิจารณาพิจาณาดว่าตัวของเราเกิดมาย่างไรเกิมาย่างไรเกิดมายัาง ไ, าางไตายายางไ ให้ทั้งเก็บเข้ามาที่ตัวเราเื่อเรามีความแก่ความเก็บความตายมันให้แต่ชื่อว่าชื่อว่าเกิดแล้วต้องมีแก่มีเก็บ ม, ม, ม, ม, ม, มีตายมัมีแก่มีเก็บมีตายมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนสมัยก่อนก็ตายสมัยปัจจุบันก็ตายเพราะฉะนั้นก่อที่จะถึงจุดสคัญนั้นเราต้องเตรียมให้พร้อม ต้องเตรียมพร้อมเตรียมชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์ให้เป็นวิสุทธิเทศให้เป็นพระอรหันต์เตรียมจิตของเราในแต่ห้เป็นพระอรหันต์ถึงไม่บอกก็มือเราก็รู้ว่าเราเป็นพระอรหันต์ด้วยมันนี่ให้เตรียมเตรียมดูตัวเองว่าเป็นอรหันต์หรือยังเป็นอรกาลีโกหรือยังเป็นสันติสีโกหรือยังเป็นโอปราญีโกหรือยังนี่ เราเนาะก็มาตัวเราโอ้คนอื่นก็ไปอย่างนั้นเราเองก็ไปอย่างนั้นเหมือนกันีน่ไอพิจนาลงไปตรงนี้ไอพิจนาลงไปตุก ค, ควเกิด ค, ความแก่ความเจ็บคนตายนี้เราก็จะเห็นคำคาดเกณฑ์ลไปว่าโอ้ไอคนเข้าไปยึดถือทุกเป็นของคนกำหนดรู้ธรรมไทยเป็นของที่ต้องรันี้โรคคือความัทุกเราก็ดว่โอ้ ราดับถึงระดับไหเราเป็นโซนละมานแนลเรามีการเกิดอากช้าคือิดช้ารู้ให้ละเอียดลงไปรู้ให้ละเอียดลงไปจนถึงว่าไม่กลับมาเกิดอีกเลยละได้มดวางได้มดทุกสิ่งทุกอย่างละความเกิดละความเกิดละความเกิดลดความละความตายละความโศกเข้าเสียใจ ละไดพุกอย่างกินเหล้ากินละพอเราปฏิบัติไปละไปละไปละไปในสุขก็สว่างสวัยกินใจของเราสว่างสวัยรุ่งเรขึ้นมาเลยถายถอนความทุกข์ในวาสนาโสารได้เลยไม่สลัมาเกอเลยเราทำอะไรึงจะไม่กลับมา ก็ทำกิดให้พุ่มบริสุทธิ์พระพุระเจ้าสอนเราแต่วาปาปัจจการนังไม่ทำบาปทั้งพวงนี่ไม่ทำขั้วนั่นอุตสาห์สู้กับเจ้าเมตตาทำอุต ส, ส่าห้ถึงพร้อมว่าเป็นพรหมี้เอาไว้ทานถิ่นภาวนาทุกที่แบบทำทำทำให้มันเต็มที่เพราะเรามีเวลาในโลกนี้น้อยมากเราต้องทำให้เต็มที่การกินแต่ปโยชนทันัง ทำละกิจเพราตให้บริรสุทธิ์ผ่องใสนี่นี่เพื่อหลักความสะอาดตรงนี้แล้วต้องรู้เข้าไปตรงนี้กว่าละทั่วทําดีทํากิจให้บอกใจินเราก็นี้ผ่องใสจากโอ้โหหรือ ย, อยังผ่องใสจากข่มโกงหรือ ย, อยังผ่องใสจากข่มหลงหรือ ย, อยังถ้ายังไม่ผ่องใสต้องทําให้ละเอียดเข้าไปนั่งสมาธิก็ให้นานขึ้นเดินโยงก็ให้นานขึ้น จะพักผอนรับนอนอย่าไปนอนเฉยๆต้องคอยกระบอกมหายใจจนนอนหลับไปถ้ามันไม่หลับต้นภาวนายอย่างนั้นแหละนึกถึงลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นนี่มันก็บริสุทธิ์เถอะกินมันวางขันมันวางตาวางตายใ ห, ห้รู้ก็วางหูฟังเสียงก็วางจะบูรบกินก็วางนิ้นรีบร้อนก็วางใจไปโผลสภาพก็วางเออ ถูกต้องคนรสะพะก็วางใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นนี่ก็วางเหมือนกันไม่ยึดมากหรือมากเกือก็ไม่ทุกข์เกก็ไม่ทุกตายก็ไม่ทุกเ์หมดกันเลยให้มีอะไรจะเป็นยึดในดวงใจของเราได้ความรักให้มันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความโลภมันก็ไม่มี ความหลงมันต็อม่มีความอยากได้นั่นได้นี่อนนนันน่้นอันอนี้มันก็ไมีมีมันฟ้าหอดแล้วอยู่ยังไงก็อยู่ได้ยืนก็สบายเดินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายเพ่ออะไรพ่อมันสบายแล้วคนที่จะกินสบายได้ถึงขนาดนี้ทุกที่ทีอยาบอมันต้องสำเร็จเป็นพระอาราม นิพพานังปรมังสุขะเพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใหไปพูดถึงนนิพพานจใจเราไปพูดถึงว น, นิพพานตาย่ถึงนิพพานตายนี้น ไ, ไม่ถึงนนิพพานถึงแต่ป า, าแค่นี้ถึงดแ่ น, นี้นี่แนี่เา้าโศกนะถึงแต่ เ, เทา้าโศกเาัแต่ใจของเราวสหรือไม่วอลิสุขเราจะรู้ของเราเองหรือใจเราวสุข ไม่มีโรคไม่มีป่วยไม่มีดุกระทบกระทั่งอารมณ์ทางตาทา ง, ทา ง, ทา ง, ทางหูทางจมูกทางนิ้วทางกห้ทํางใจก็ไม่มีวันไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นหรือี่เดทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถเข้ามาทําใจของเราให้ปุดงวงงงโงตารเลยเราถึงความที่สุทคุดคลองในใจแล้วอะไรว่าตรงใจ มันก็ไม่พัอยู่มือนเราเขียนตั้งไว้เอ า, มาเมล็ดงามาโหลงไปมเมล็ดงาจะไปพามอยู่ไปเขียนมเมล็ดงาจะไม่พังอยู่ไปมันจะลงไปข้างล่างหมดเอาใส่เท่าไหร่ก็ไห ล, หลไปข้างล่างหมดมันไม่หยดอยู่กับไปเขียเลยจิบของเราก็เหมือนการฆ่าทำให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริบูรดีแล้วถึงมากถึงผลดีแล้วนะ่โอ้โห มันไม่ติดเลยอารมณ์อะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตามไม่ติดแตงไฉเลยใจนี่พร้อมใส่บริสุทธิ์ยิ้ได้ตลอดเวลาเลยไม่ทุกไม่โศกไม่มีโรกไม่มีภัไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ใจเราพุกข์ได้แต่ก่อนเรามีทุกข์ใจมีทุกข์ใจยังเป็นของคนอื่นอยู่มีทุกข์หลายอย่างหลายเรื่องใจเรายังไม่สงบ ทุกเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องวานเรื่องเงือนเรื่องความเป็นอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้เจ็บหูเจ็บตาเจ็บหลังเก็บเอวอุ้ยสารพัดทุกสารพัดทุกสารพัดวมาณนี้นะอ้ยุ่งไปหมดเลยไม่รู้ว่าใจจะทตายกันแน่แต่พ่อพัสบเข้าไปเข้าไปอีกบริสุทธิ์หมดจบจากพิเดเครื่องเส้นหัทั้งหลายแล้วทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถไป้ามพาอยู่ในใจได้ใจไม่มีทุกเลยใจหายแล้วจากโรคทั้งพวงโรคโรคของใจคือความโกรความโลภความหลงอวิชชาตัณหาอกุศลพวกนี้เราดีทบใจให้เป็นทุกแต่ว่าเราท้ามพ้นโอคสงสารไปได้แล้วขึ้นฝั่งแล้วไม่ติดใน พวกเหล่านี้เลยใจไม่มีพวกเหล่านี้เลยไม่มีทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโทรความเสียวอกเสียใจความที่ไรลำพันความเป็นห่วงใป็อะไรต่างๆใจเราวางหมดไม่มีกิเลสไหนจะมาทใจของเราให้เศร้าหมองขุดหัวได้เลยใจเราไม่มีโรคเลยไม่มีทุกข์เลยแต่ตายนี่ที่ทุกอยู่เจ็บนั้นปวนี่ก็รู้อยู่าเจ็บปวดไอาปวดเราวเรา วางทีเด็กหมอรักษาได้บางทีคือหมอหมอไปรักษาไม่ได้ยาดีไปใหนก็รักษาไม่ได้ตายเลยนี่นี่แหละตายนี่แหละแตกสลายไปเลยแตกใจแตกสลายไม่แกสลายไม่ยึดถือบนอมนกันเหมือนไฟดับไปแล้วเสื้อหมดแล้วเสื้อหมดวางเปาหมดเลย ความบาหมดจากีรทั้งขั่วนี่แหละถึงความสุขความสงบความเย็นกเย็นใจความสว่างสวาวภายในจะโลนคนตนัวานอนกินไม่มีทุกอีกเลยหลังตั้งแต่วันที่ได้เจรรู้หรือวันลุ้มากผลเป็นพระอารามใจไม่มีทุกข์อีกเลยแต่กายมีทุกข์อยู่อาจจะเก็บโรคนั่นโรคนี้แต่ใจไม่มีโรคเลย ราคะก็ไม่มีในใจดวงนั้นโพดาบันก็ไม่มีในใจดวงนั้นโมหะก็ไม่มีใน ใ, นใจดรงนั้นอวิชชาก็มีคือความไม่รู้ในเรืสัจจีนไม่ดีเลยอริยสัจจคือตัวเรานี่แหละไม่มีเลยไม่รู้ความจริงเหล่านี้ไม่ทั้งสมมติบัญญัติอะไรต่างรู้งหมดเลยวางได้หมดที่เราเข้าถึงความสุขบรรเทาทนิพพานฝ ร, ระังสุขฐานพราะนิพพานเป็นสุขอย่างนี้ ไม่ต้องพูดกันหรออันนั้นเป็นนิพพานนี่เป็นนิพพานถ้าภาวนาแล้วจิตของเราเป็นสุกนั่นและมันเข้าไปวันนิพพานถึงพระนิพพานแล้วถ้าภาวนาแล้วมันไม่เป็นสุกมันก็จะไม่ถึงพระนิพพานพระนิพพานเป็นสุกแต่สุกที่เราเรีรับจากการมีทรัพย์มียศมีหน้าที่การงานอันนี้ก็คือเป็นสุกอยู่ในการเรียนการศึกษาประสงความสำเร็จอันนี้ก็สุกอยู่แต่ว่าความสุก ในครอบครัวโขเมียก็ธรรมดาก็ไม่มากมายอะไรเป็นของนิดๆหน่อยๆเท่นีแคความสุขในทานความสุขในสมาธิความสุขในมรรคผลความสุขในพระนิพพานความสุขันี้เหลือที่จะประมาณไหนความสุนนมสออสมขภายาในพระนิพพานเป็นความสุขอันยอดยิ่ง ไม่มีจุดไหนจะมาเมสียบเทียได้กับความสุขในพระนิพานเลยไม่ว่าโลกที่เขาว่าอันนั้นเป็นสุขอันนี้เป็นสุขตรงนั้นเป็นสุขตรงนี้นเป็นสุขมันก็ไม่ถึงพระนิพพานครับแต่พอถึงพาะนิพพานแล้วใจเห็นชัดด้วยใจของเว่าโอ้เราถึงความสุขเปนกระเสริรเลิศเลย อ, อย่างนี้เลยอเราสบายอย่างนี้เลยเราเป็นสุขขนาดนี้เลยโลกนี้มีใครบ้างเนาะเป็นสุขอย่างเรา ธรรมะของพุเจาเนเราเป็นเราเป็นพยานได้แล้วธรรมะเป็นของจริงเป็นอาริโกเป็นสัจธรรมทำตามแล้วได้ผลเป็นักผลตามเป็นจริงจริงจดีจริงจริงเป็นของแท้เป็นของปฏเสธเป็นของเดรจริงจน่ะถ้าจึงว่าให้ปฏิบัติธรรมเริ่มต้นีละน้ย เริ่มต้นคือค่ะดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ให้รู้ลมหายใจออกก่อให้รู้คอยรู้ลมนั่นต่อไปจิตเราก็สงบเป็นสมาธิเป็นทณนติกาสมาธิสงบนิหน่อยเป็นหนุนไปเจอสมาธิสงบแล้วแต่ใจยอยู่ภายใ น, นเออแล้วก็ต่อไปก็เราบังคับได้ประคองได้เข้าที่ได้คอยกระโดดลมอยู่เรื่อย ไห้เธอเข้าไปถึงเข้าไปถึนอัปานาสมาธิพอเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วกิจมิภักดิงเป็นผู้ใหญ่เลยสามาันให้ทำงานถอยออกมารับทำงานที่หนาร่างกายนี่เลยตายนี่เกิดขึ้นได้ยู่ตายนี่ตายไปได้ยตายแล้วไปอยู่ไหนตายแล้วไปไปอะไรตายแล้วตรงโลกตายแล้วไปสวรรค์ตายแล้วไปพันธ์โอ้ ขรู้ชัดขึ้น่ามันกว้างทุกสิ่งทุกอย่างตาเห็นรูปมันกว้างหูฟังเสียงมันกว้างเจอกลิ่นกว้าลิ้นริ้งร่มันกว้าตายถอสัมผัสมันกวางิคิดนึก่นนี่มันกวาหมดินนรู้มันไม่วนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเลยใสุดเราก็บริสุทธิ์ของเต็นีเป็นมรรคผลดีาน ในปัจจุบันชาตินี้แน่นอนขอให้ปฏิบัติตามคามองพระพุทธเจ้ามีหวังว่าไม่ผิดพลาดแน่นอนสามารถดำเนินตามเ พ, พื่อหนีจากควาทุกข์ได้ไม่ว่าเรียนไหาแตา่ด้วยในวัฏสงสารนี้ได้ด้วยคือถ้ามีพาแล้วเหงื่อนไฟที่ดับแล้วเชื่อหมดแล้วก็ไม่ไม่รู้จัก พูดอะไรเดี่ยวก็เทียบยังไงมันก็ถึงสุดปัญหาจริงสุดปัญสูตรซึ่งเรียกว่านิพพานาามสุขถึงานิพพานเป็นสุดอย่างนีุ้เลอเรื่องิ่งที่เทานี้แหะขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติตลอดไปอย่าถอยอย่าลดกำลังใจสู้ไม่ถอยสู้ไม่สอดสู้ไม่สอดก็ต้องได้ อย่าให้เสียเวลามาเกิดแล้วไปมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยต้องให้มันไ ด, เเนนด้เราเห็นแล้วพระศาสนาเราเห็นแล้วพระธรรมคาสอนของพระเจ้าเราเห็นแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สาเร็จเป็นมาเป็นผลมีผมมีขนมีหนังมีกระดูกเป็นพระธาตมากมายแล้วเราก็ให้นับว่าเราก็เป็นหนึ่งเหมือนกันอย่างนี้แหละขอให้ตันงใจปฏิบัติกัน ทุกการทุกข์ทุกให้เขาใจยังไงไปเรียนต่อที่วัดป่าดอนไหน่โศกตำบลดอนไหน่โศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธ า, านีมีข้อปฏิบัติธรรมทุกเดือนเดือนแรกเก็บันเดือนแรกเก็บหลังมีเต็มแนวค้อมีสารเต็มแนวสารานั่งเป็นล ม, มเลย ที่ที่นี้ก็เต็มหมดบุตรีที่ไอ้ภาคคนละห้องละห้องก็เต็มหมดจนได้สร้างสถิตเทียมเพิ่มสร้างที่ปลังก็ยังไม่พออยูอ่ก็เอาเท่าที่กำลังกอจะรับได้อย่าโยกผู้สนใจสวิวัฒธรรมจะไปวัดป่าตอนเช้ า, าขึ้นรถขึรถชานพลวก็ได้ไปเครื่องบินก็ได้ ไปรถไปก็ได้ไปลงที่อแล้วถ้าไมรู้ว่าจะเข้าไปยังไงให้เปนลิกดคอมพนะิวเตอร์หน่ออคอมอร์อ็โทรศัพท์ไปตามนั้นโทรศัพท์ไปตามัมนมีโทรศัพท์โทรศัพท์เข้าไปถ้า โ, โทรไปคนนี้ไม่ติด้ก็มีเบอร์อยู่เขาจะรับเรือแล้วก็จะแนะนำี การเดินทางนัดกันเขาขอกรับเข้ามาวัดเพื่อทางจากอุดร 22-27 กิโลจากถนนใหญ่เลื่อนวิ่งมาจากอุดร28กิโลเข้าไปได้27กิโลพอได้ไม่ยากที่ต่อแล้วก็ไปได้ จะให้ไปซึมอย่างจริงจังเต็มรูปแบบเอาอย่างเซ น, นิตี้ก้นแตกก็นเนื่นั่งทั้วันเลยเดินนั่งยืนพะอยู่อย่างนี้ตลอดมีอาหารให้กินด้วยมีข้าวให้กินเนี่ยินข้าวคนเดียว แต่กลางวันให้กินอาหารว่างตอนบ่ายน้ำปานะหรือเครื่องรองที่เป็นน้ำปานะเออตกน้ำปานะทีพวกะนะ ท, ที่อยาไปดให้ติดต่อไปได้เล ย, วยเว็บเที่ยวธรรมา น, า, นนานนานหนึ่งหรือว่า ร, ร้องกดหลงพ่อร์ d ร t com อันหนึ่งเปิดดูในเฟส ก็จะถึงเดี they they do, so cái, so ๋ยวสามารถที่จะเดินทางเลือกเดินทางได้เลยจะไปเครื่องบินก็ได้จะไปรถไฟก็ได้จะไปรถบัวก็ได้พยายามสนใจที่จะปฏิบัติปฏิบัติจริงๆนะไม่ใช่ทําเล่นๆเลยเอาเงินเอาจังโอ้โหมันได้ผลเนี่ยมันได้ผลในเจ็ดวันท่านที่รู้ที่จะว่าเจ็ดวันได้บรุธรรม เจ็ดเดือนได้บรรลุธรรมเ็ดปีได้บรรลุธรรมถ้าเราทำถึงขนาดนั้นไม่ได้บรรลุเราก็ไม่รู้จะคิดจะไงกนะันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องพูดไปมากเดีย๋ยวจะเป็นกา ร, รกนทร่หรือรีบนู้ดจะทำจะเป็นบาปต่อบาเอาตัวให้ตั้งใจปฏิบัติภายในเจ็ดวันตูคิดเราจะสงบไหมคิดเราจะสบายไหมคิดเราจะเย็นไหมคิดเราจะต่อสูอยู่กับโลกที่รุ่มร้อนดยด้วยกิเลเสตัณหาได้ไหมนี่เลย ขอให้ดทุกคนจงมีความสุขความเจริญเอราวัณพร้มีเกิดกับตารนั่นจี